ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงปวุตยาในวันนี้ผมพูดถึงสัมมาวายาในข้อต่อไปในข้อต่อไปนั้นส่งใช้คำงดเว้นจากวาจาที่โสเสียดคำว่าโสเสียดเนี่ยเป็นภาษาที่รู้สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ คือในความรู้สึกนึกคิดกองชาวบ้านคล้ายๆกับกระทบเทียบเปร ย, ย์ปุ๊กระทบกระแทกแดกดันอะไรแต่อะไรแต่หมอคำนองเนี่ยเรียกว่าสอเสียดแต่ความหมายในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยหมายถึงคำพูดที่เกิดขึ้นด้วยความโกรธบ้างริษยาบ้างแข่งดีบ้างเบียดเบียนบ้างถึงขูงบ้างอะไ ร, ต, ไรต้องการจะยืม ดาบฆ่าคนอื่นบ้างแล้วแต่เป็นแนวที่พูดยุยงให้เขาเกิดความแตกแยกกันแต่ตัวสาเหตุนั้นอาจจะเกิดได้เยอะนะฮะบางครั้งมากราวก็ริษยาบางครั้งมางรกาารารวก็แข่งดีบางคราวก็เพื่อเจอร์นะบางคราวก็อาาดแค้นแต่ว่าทําอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ยืมดาบ เอาคนอื่นนะ่ะเป็นดาบยืมให้ฆ่าสตูของเราเองคือคนในโลกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเมตตาเป็นหลักเอาไว้เดยเหตุว่าในแง่ของความเป็นจริงคนที่เกิดมาในโลกมันก็มาด้วยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้า ข, ของอะไรจริงๆสักอย่าง แต่เราเกิดมาด้วยความรู้สึ ก, กว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็น น, น, นี้เป็นตัวเป็นตนของเราเราก็มีความรู้สึกของเราอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่มีตัวอย่างไห น, นแล้วก็ทํำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกเป็นนี้ได้ผลการพูดที่สร้างสารรค์เนี่ยก็คือมดเว้นจากการยุยงให้เกิดความแตแกแยกแต่บ่ง ความเป็นหนึ่ ง, งเดียวความสมานสมัครคีความปรองดองความสมานฉันระหว่างคนสองคนขึ้นไปจนถึงหลายหลายคนมันมีประเด็นของวินัยอยู่ข้อนหนึ่งในอาบัตสังคาธิเศษอาบัตสังขาธิเศตอบัตโทษหนักนะฮะหมายความว่าลราไปพูดอาบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องลงโทษประจานตัวเองตั้งหกกระไรแล้วก็จะ เราคนจะพทษได้นี่ต้องใช้สงประชุมกันยี่สิบรูปขึ้นไปเรื่องใหญ่เลยนั่นก็คือการชักสื่อให้หญิงชายเป็นสามีพัรยา ก, กันทำตัวเป็นพ่อสื่อพ่อช้า ก, กันนะแยตดโดนทำได้นะแต่ว่าพระนี่ทำไม่ได้แต่ในขนาดเดีวยวกันมันก็เฉียดฉิวรือถ้าหากว่าวมเนี่ยเขาทะเลาะ ก, กัน พระไปพูดแล้วก็คืนดีกันนะได้นะแต่ว่าต้องไม่อยากกันถ้าอยากกันแล้วนี่ไปพูดไม่ได้คือเขาอาจจะแยกกันอยู่อาจจะทะเลาะกันอาจจะขัดแยงแ้งอนะไรต่ออะเนี่ยถ้าสามารถจะพูดจากเป็นคนกลางแล้วก็ให้เขาเป็นอะไรนเดียวกันเพืเห็นแก่ลูกตาเพืเห็นแก่ครอบครัวเพื่อเห็นแก่ความรักของบุคคลทั้งสองเพเห็นแก่พ่อแม่ของทั้งเกละาฝ่ายอะไรต่ออะไรนี่ยปรากฏว่าเป็นภารกิจ เป็นภารกิจเพราะอะไรเพราะว่ามีความมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นคือสงสารเขาว่าถ้าจะทะเลาะกันแตกแยกกันแล้วก็ต่อไปนี้มันจะมีปัญหาเลยก็ส่งเสริมให้เเกิดสามีคดกันตอนกันมดเว้นนี่จริงๆก็คืองดเว้นจากการนาความข้างนี้ไปบอกข้างโ น, น้นนาความข้างโน้นไปบอกนี้โดยมุ่งให้เขาแตกแยกกัน มีข้อแม้นะฮะคือต้องเจตนานั้นเป็นริษยาบางโกรธบางพยาบาทบางเบียดเบียนบานงหึงหวงบ้างก็แล้วแต่คือบางทีมรนก็เพลิดเนะฮะอย่างที่ท่า น, นเล่าถึงลูกสาวของเศรษฐีคนหนึ่งนี่ก็คนหนึ่งนะฮะเศรษฐีนั้คนหนึ่งแต่ลูกสาวนมีอยู่สามคนก็ พอโตเป็นสาวขึ้นมามันป่วนเลยพ่อแม่นี่ยไม่รู้จะทำอะไรคนหนึ่งก็คบชู้ผู้ชายยุ่งกับเรื่องผู้ชายไปหมดคนหนึ่งก็ชอบรักชอบขโมยของในบ้านหายเรื่อยของเพื่อนบ้านหายเรื่อยมันป่วนไปหมดเลย <BU. S 1> คนหนึ่งก็ไปเยอะคนกิดแตกแยกกันพ่อกับแม่ก็แตกแยกกันพี่กับน้องก็แตกแยกกันญาติญาติก็แตกแยกกันในญานี้ไปยุได้รำตามไม่รั่วปวนไปหมดเลย ก็บอกว่าเศรษฐีก็เลยก็จับลอยแพสมัยโบราณเนี่ยลอยแพลอยลงไปในทะเลเจ้าในที่สุดพ่อค้าสาเผาเนี่ยไปเจอเข้าก็ไปช่วยแิดก็อ้างว่าเธอเป็นราชติดาของกษัตริย์เมืองหนึ่งถูกศัตรูมาล้อมบ้านเมืองแล้วก็ฆ่าพ่อแม่ของท่านตาย แล้วก็จับเธอทั้งสามเนี่ยปล่อยลงในทะเลโอ้ยกลายเป็นราชกุ ม, มารีเลยพวกนี้ก็เลยพี่นอกพี่เทากันใหญ่ก็เชิญขึ้นไปอยู่ในในเรือก็เดนที่จะอยู่ในปกติมันก็ไม่ปกติก็แสดงอิทธิฤทธิออกมาไอ้คนก็ขโมยก็ขโมยป่วนดไปหมดของหายของหายจที่วางนะของในเรือนะฮะก็ ก็โง่จากหัวไปท้ายจากท้ายไปหัวจากหัวไปกลางจากท้ายไปกลางอะไรแต่อะไรนี่มันมันก็ไม่รู้จะไปไหนแร้วแต่ของก็หายได้แล้วก็ผู้ชายก็เกิดทะเลาะ ก, กันคนเรือเนี่ยเกิดทะเลาะ ก, กันเกิดแจ้งผู้หญิงกันแล้วคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ไปยุ่ง้เกิดทะเลาะ ก, กันไอ้กัปตันก็มาดูเอ๊ะมันอะไรอะ่ะในสุดก็คิดแก้ไขนะฮะ แกเอาคนที่ชอบยุ่งกับผู้ชายเนี่ยเอาเป็นเมียใช่ไหมเมียกับตานเป็นกุนนายก็เลิกแต่ว่าคนที่ชอบชอบกินนะฮะชอบกินชอบลักชอบขโมยชอบกินอ๋อชอบรักชอบรักอยู่ด้วยใช่ใชอบรักชอบกินจริงสี่คน่ะเลยชอบกินอยู่อีกคนเนี่ยคนชอบกินก็มอบให้เป็นรับผิดชอบในรวมครัวเลยในเรื่องการปรุงอาหารอยากกินนกินไปเลย คนที่ชอบรักขโมยเนี่ยให้แกดูแลสินค้าทั้งหมดรับผิดชอบในสินค้าทั้งหมดเลยสินค้าก็อยู่ในความรับผิดชอบมันเถอแล้วแล้วมันอยู่ในเรือด้วยน ะ, ละลนนเลยก็ไม่ได้ลักไหนก็เลยก็หยุดลักมันก็ยังเหลืออีกคนที่ยุ่ยรำตามไม่รู้นี่มันแก้ไม่ตกเลยในสุดก็ส่งลงทะเลต่อไปอาจารย์ก็เล่านะฮะบอกเล่าก็า นอกอินทรีมาสองตัวก็เห็นกาไปกระโชกลงไปนะเธอก็เล่าพิธานให้ฟังอย่างที่ว่านะเป็นราชกุมารเรถูกกาศึกจับมาลอยแพรก็ขอให้นอกอินทรีนี่ช่วยนอกอินทรีก็ตกลงน ะ, ะว่าคาบไม้อันหนึน่งมีข้อแม้ประยายนี่ต้อง โหนไปที่ต้นไม้หรือนั่งที่ไม้เนี่ยน่าจะโหนมากกว่านะแต่โหนก็น่าจะหล่นเหมือนกันก็เป็นนิทานเน่าเอาอะไรมากแล้วก็มีข้อแมว่าห้ามพูดห้ามชวนพูดแล้วฮะตัวเองก็ห้ามพูดด้วยก็นั่งนอกบินซีก็พาเหาะลอยไป มันเกิดมันอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะหันไปบอกไอ้นายอินซีตัวฟู้ไอ้ตัวเมียนะะบอกว่านี่นกกูผูู้ก็กรหลิวตากับท่านว่าเวลาถึงฝั่งแล้วก็จะเลิกกับเธอเนี่ยจะมาอยู่กับฉันไอ้นกตัวเมียก็โกรธอ้าปากจะดา่าเลยไม้ก็หล่นนะนะอาย่างนี้ก็ตกลงไปในทะเลแล้วท่านยังเล่าต่อไปนะท่านยังเล่าต่อไปบอกว่า ไอ้อันเนี้ยตกลงไปก็เปื่อยหน้าแล้วก็หัวผีเนี่ยมันถูกซัดกันไปมาหนึ่งตลิ่งก็กลวัดแห่งหนึ่งพระก็ไอ้ต้มน้ำนะก็ยังขาดเตา อ, อยู่ด้านหนึ่งก็เอาหัวผีนี่รองปรากฏว่าพระที่วัดในสวดมนต์ก็ไปลงกันมีการกัแดแยงมีการทะเลาะป่วนไปหมดเลย เจ้าว่าสงสัยว่าเอ๊พระดีๆเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ก็สงสัยว่ามาจากหัวผีริมทะเลเนี่ยท่านก็เอาไปทิ้งกันในป่าต่อมาก็พวกต้มสุราไปต้มสุราในป่าก็ตอกมืขาดอีกด้านหนึ่งก็เลยก็เอาหัวผีนี่ไปวางเป็นเตาต้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่าที่มันคนดื่มก็ไปแล้วก็เกิดเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยเพราะว่าแรงยั่วยุของหัวผีริมทะเล ในคนโบราณก็มีวิธีเล่านะ่ะวิธีเล่าเห็นว่าสันดาลเนี่ยมันแก้ยากสันดอนเนี่ยมันขุดได้นะฮะสันดาลมันขุดไม่ได้ที่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ได้คนชอบกินก็แก้ได้ชอบเจ้าชู้ก็แก้ได้ชอบลักขมโมยก็แก้ได้แต่คนปากเสียเนี่ยมันแก้ไม่ได้อันนี้ก็คือเน้นไปที่การยุอยักยุให้หลำต่ำให้รั่วคือยุให้เกิดความแตกแยก ไปนําความคันนี้บอกข้าน้นนำความข้านู้นบอกคณนี้นั้นโดยมุ่งให้คนสองฝ่ายในตกรงกันหรือว่ายืนคนหนึ่งเป็นเครื่องมือไปฆ่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องง่ายที่จะยื้อเกิดความแตกแยกวันก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังฉันบอกว่าอาจารย์ที่วิทยาลัยของท่านนะ่ะ มันเกิดถึงห่วงกันแล้วก็เพื่อนกับโทรมาบอกบอกว่าสามีนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไปพบกันที่โรงแรมนั่นโรงแรมนี้กว่าเป็นตูเป็นต่านะ่ฮะแต่ใสายที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์สี่ก็สูงแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กล้าชักสามีอดีสามีมีราชการไปทางภาคเหนือไปหลายวันไปราชการจริงๆนั่นแหละสามีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแร้ว แต่ว่าแกก็กินนาการน่ะทีนี้ภรามีหายไปนั่งกินตนากาเขาคงจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารเลยแล้วคนก็ท้ายตายสามีกลับมาถึงก็พัน ญ, ญานอนตายอยู่ <c oughs> ก็เรียกว่าโรคเฉาตาย <c oughs> เลยก็บอกว่าเอ๊ะมันมันจะเวริรไปหรือเปล่าลนิทานเรื่องเนี้แ <c> ก <oughs> บอกว่าเป็นได้จริงๆแ <c oughs> กก็เล่าเรื่องว่าหมาตัวหนึ่งเนี่ย เจ้าของเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วถูกนำส่งโรงพยบบาบาลหมามก็คอยย่ของเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยคอยจนกว่าจะหายเนี่ยกว่าเจ้านายจะหายเนี่ยมันก็พร้อมจนขนร่วงหมดพอเจ้านายกลับมามันดีใจนะฮะดีใจตะกุยตะกายร้องงิ้งงิงงิ้ ง, นงจนสลบไปแล้วต่อมาก็เริ่มกินข้าวปลาอาหารคยก็ปุยปุยเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแถมที่ ท, ที่ที่ต้องการให้เห็นว่าคุที่เกิดขึ้นจากการด้วยยุเนี่ยถ้าเราหัวอ่อนหูอ่อนหูเบาน่ะเพื่หูเบาไม่ใช่ไม่ใช่หัวอ่อนหูนหนหนหเบาคือเชื่ออะไรง่ายเกินไปเนี่ยมันสร้างความแตกแยกได้สร้างความร้าวฉานขึ้นมาได้เพราะงั้นพวกตรงเนี้ยพูดเอแนวที่งดเว้นนี่คือท่างงดเว้นพูดในทํานองยุโยงเนเะกิด ค, ความแตกแยก แนวจารกรรมแนวจารชนแนวยุให้รำจาให้รั่วทั้งหลายเนี่ยเวลานี้มันมีอยู่เยอะแ ล, ลคือเราจะเห็นว่าเจ ต, ตนานะั้นไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่เหตุการณ์บ้านเมืองถ้าเราดูระยะไกลๆเนี่ยปในเรื่องที่น่าห่วงคือไฟในนําออกภายนอกนําเข้าเนี่ยก็แพร่หลายมากเรื่องควรควจะอยู่ภายในแล้วก็แก้ไขกัน แล้วก็เอามาข้างนอกเรื่องบางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องอะไรนะแต่เอามาข้างนอกมาเล่นข่าวกันทางสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนมันเป็นอาชีพของเขาใครจะบาดเจ็บล้มตายจิหมายวายป่วยยังไงพวกนี้เขาก็มันเขานะฮะเขาก็เสนอข่าวกันไปเรื่อย เ, เป็นเรื่องน่าห่งแล้วก็ยากต่อการที่จะแก้ไขเพราะว่าเวลานี้ยรายงานด่วนจากสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไปเลยนะ ไปเลยก็ว่าพูดพูดไม่หยุดกันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือโอกาสที่จะแตกแยกเล้าฉานกันนะมีได้ง่ายดังนั้นคนที่ฟังมันต้องมีท่าทีอย่างหนึ่งก็คือไม่เชื่ออะไรง่ายเกินไปปุกไฟในนำออกไฟนอกนำข้าวสาวไส้กากินนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอาเรื่องภายในไปเล่าออกไปข้างนอก ภายในนำออกนั่นแหละแต่ขนาดสาวไสยกันเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือกลายเป็นดาบที่ถูงยืมไปฆ่าคนเรื่นนี้ง่ายมากนะะคือคือจะยุให้ผู้ใหญ่คือผู้น้อยในทํำลายผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกแต่ผู้ใหญ่เนี่ยทำลายผู้น้อยได้ง่ายคือทำยังไงที่กเขาบวชขายก็หินหินก็ขายะนะฮะเรากลิ้งไข่ไปชนหินไข่ก็แตกเอาหินมาชนไข่ไข่ก็แตก ท่นก็ลากทําไงวะลากเอาผู้น้อยเนี่ยไปชนผู้ใหญ่ะบอกผู้น้อยคนนั้นว่าด่าท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่ ง, งั้งงนโ น, น, น, นั่นก็ขึ้นแล้วเป็นปืนเป็นไฟแล้วโกรธอ่ะยิ่งใหญ่มากๆยิ่งโกรธง่ายยิ่งโกรธง่ายเคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะระดับสมเด็จพระราชกนณะก็คุ้นคุกันนะก็นนะคุยกันบอกไอ้ผมแปลกใจนะว่าทําไมผู้ใหญ่ขี้โกรธอ่ะทำไมโกรธง่ายทาไมไม่หนักแน่นมั่นคงอดกลั้นอดทนอ่ะ ท่านบอกว่ามันคงเจอคนโอ้อกใจมากเกินไปหมายความว่ารับด้านเดียวนะคือเจอแต่เย็นด้านเดียวไม่เจอร้อนมาเลยพอเจอร้อนเลยหมดหงิดเลยอันนี้ก็คือแนวทำให้กลายเป็นจุดอ่อนที่จะยืมมือผู้ใหญ่เนี่ยไปทํำลายผู้น้อยได้ผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเครื่องมือเดี๋ยวก็มีเยอะนะเราดวนนะูดวรรณคดีอะไรประวัติศาสตร์ได้มีเยอะเลย ด้วยการดิสยากันใน ห, หมูผู้น้อยเนี่ยแต่ว่ายืมมือผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้น้อยอย่างในสมัยพุทธกาลมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งคือท่านพันธุราเสนาบนดีเนเป็นราชกุ ม, มารในราชวงศ์ ม, มัละ่ะอีความฉลาดสามารถในการใช้ดาบนี่ยเยี่ยมมากเขาจะเอาเขาไม่ไม่ไม่ไ ม, มัดกันหกสิบลำนะฮะ แล้วให้แกตัดรวดเดียวขาดตามกระหูกไม่ใหญ่เท่าไหรนั่นกันนะแต่มีเสียงเป็นกิ๊กอย่างเดียวคือคนแอบเอาเอล เ, เลขไปใส่ไว้ข้างในท่านก็ใช้แรงนึกว่าไม้ไผ่ธรรมดาไม่ได้คิดว่ามีเหล็กอยู่ข้างในมันดังกิ๊กขึ้นมาหน่อยนะึงท่านสอบถามมาทำไมจะมีเสียงดังเขาก็บอกให้ฟังท่านก็น้อยใจนะว่าญาติต้องการทดสอบความสามารถของท่านแล้วก็ แอบเอาเหล็กไปใส่ไว้แล้วก็บอกหน่อยก็ไม่ได้ถ้าบอกหน่อยท่านก็เพิ่มแรงมากขึ้นมันก็ฟันไม่ดังเหมือนกันในสุดท่านก็ะละตำแหน่งในราชวงศ์ตัวเองก็ไปรับใช้พร ะ, ระเจ้าปเสนกุศนซึ่งเป็นพระสะหายกัน ไช่วยกันได้ตำแหน่งตั้งเสนาบนดีนะฮะและต่อมาท่านเคยแก้ปัญหาต่างๆปัญหาขอรับชันโกงกินอราศบังหลวงพว ก, กเรียกสินบาท่าสินบนต่างๆโดยเฉพาะพวกวินิจฉัยคดีทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้พวกเหล่านี้ถูกปลดถูกถอดท่านพันดูนล่าก็ไปทำงานแทนวันนี้เลยรวมหัวกันสร้างกระแสนินทาซุปซิปนินทาสร้างข่าว ยุไอ้พระราชาเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนโกโซนี้หูเบาไงประกันเบาเชื่ออะไรง่ายน่าดูเลยไม่น่าเชื่อหรอกเป็นคนรุ่นราวข่าวเดียวกับพระชาอ่แต่ว่าเชื่ออะไรง่ายต่นในที่สุดเขาก็ยุว่าอิทูตาพะเนี่ยไม่ใช่อุทูตาพะคือพันธุระเนี่ยคิดจะแย่ง เราจะสมบัติคิดจะวางแผนจะฆ่าพระองค์คือตอนนั้นท่านโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลูกก็มีลูกตั้งเท่าไรสามสิบสามสิบสองคนนะฮะสิบหกคู่ขวาแฝดสิบกคู่พระเจ้าประเระสนาบุตรเชื่อสั่งการให้คนไปแอบรอบค่าเมื่อท่านออกเดินทับออกไปนอกเมืองเพื่อจะไปปราบยาราจนที่ชายแดนเรื่องทั้งหมดท่านสร้างขึ้นมา แล้วก็พระท่านเหล่านี้หลับก็แอบฆ่าตายหมดสังคนไปแล้วทำให้สูญเสียคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตไปทั้งครอบครัวนะฮะพระทาระนางมาริกากับพันยาของลูกสะพายทั้งหลายเนี่ยก็กลับไปเมืองกระบินเราเอเม่ใ่กลับไปเมืองกุสินาราแล้วก็ไปมีบทบาทสำคัญเมื่อตอนพระพุทธเจ้าปรินิพนานที่กุสินารา นั่นก็เป็นเป็นเป็นเรื่องตัวอย่างที่เราเห็นว่าอานี้คือต้องการยืมดาบเพฆ่าคนพวกอมามตะเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะไปทําลายทำอันตรายอะไรกับท่านพันธุราเสนาบดีได้อะแต่ว่ามันใช้ในแนวยืมดาบฆ่าคนว่นยานุ้ยใหญ่เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฆ่าผู้น้อยซะเยอะเลยแต่เป็นเรื่องน่ากลัวที่สุด ซึ่งยากต่อการที่จะต่อสู้แล้วก็ผู้น้อยก็อาจจะต้องตายเพื่อรักษาชื่อเสียงของผู้ใหญ่เอาไว้พูดไปเขาก็ไม่เชื่อนะฮะอนนี้คือคื อ, ค, อคือจุดอ่อนของสังคมดังนั้น ง, งานยุยงส่งเสริมบอกความเ้าวฉานแตกแยกราดวาดัดกระแวงอะไรต่างๆจึงทำได้นะฮะจึงทำได้แล้วก็ทำได้ตลอดอ่ะตราบใดโลกยังมีผู้ใหญ่ที่หูเบาอยู่เนี่ย คือถ้าไม่มีผู้ใหญ่หูเบาก็แสดงว่าไม่มีคนในโลกแล้วนะอันนี้ก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนของโลกที่พระเจ้าก็ทรงสอนงดเว้นจากการพูดเยื่ยงให้เกิดความแตกแยกเอาเฉพาะงดเว้นก่อนงดเว้น ไ, ได้ก่อนแต่นี้ถ้าถามว่างดเว้นแล้วต่อไปจะพูดยังไงล่ะ ก็พูดมันคนมันมีอยู่สามกลุ่มถ้าเราลองสังเกตดูว่าคนในโลกนี้มีอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็พูดแนะนำส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็รู้จักกันอย่างแนวของพอลังแนวแนะนำชื่อเสียงเรียงนามนต่างเนี่ยแนวที่สองก็คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงกันรักให้สนิทสนมเป็นระดกันเดียวกัน ระวังระวังจุดอ่อนนะฮะคนอาจจะริษยาก็ได้คนอาจจะสูญเสียผลผลประโยชน์เพราะความเป็นหนึ่งเดียวของคนกลุ่มนี้ก็ได้เพราะงั้นโอกาสที่จะถูกยั่วเกิดความแตกแยกเนี่ยมันจะมีเพราะฉะนั้นเราก็พูดไปทับกระชับไปเกิดสมานสามาคัคคีเป็นอหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นเห็ยนยหมคนคนฟังเนี่ยเขาได้ประโยชน์หมดเราพูดส่งเสริม้เขารู้จักกันเขาก็ได้ประโยชน์เราพูดกระชับสามัคคีเขาก็ได้ประโยชน์ เราก็ได้ปฏิบัติธรรมะคือก่า ว, วาจาวจีที่สุดจริตเป็นสมาวาจาแต่คนได้รับผลจริงๆก็คือคนที่ฟังทีนี้คนกลุ่มหนึ่งนี่ยที่บอกไว้นี่ว่าเป็นสามีภรรยาเพื่อนฝูงกันก็ทะเลาะกันก็ขัดแย้งกันแล้วก็ผู้ประสานรอยร้าวทั้งหลายเนี่ย หวังดีตะอบุคคทนะสองฝ่ายเนี่ยให้อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสามีภรรยาเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับ บ, คบัญชาส่นะงเสริมสนับสนุนกันในโอกาสต่อไปวาจาย์ลักษณะนี้บางครัง้งบางคราวเนี่ยมันหาคนพูดก็ได้นะคือจะสื่อสารติดต่อแล้วก็ให้เกิดการยอมรับรับถือที่จะพูดจา เพราะตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีริษยามีเบียดเบียนมีหึงหวงมีแข่งดีมีความมาคาดพยาบาทมีความโกรธไม่พอใจมีความับเอียงสารพัดเนี่ยแต่โดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดที่คนจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนดังการไม่ใคร่ปรตามสามารถกดเว้นคำพูดสออเสียดคือนำความข้างนี้บอกข้างนนงความข้งน้นบอกกนี้เพื่อให้คนนะสงข่ายทะเลาะกันนะ ไม่ใช่บอกข่าวสารเรื่องดีๆเรื่องดีๆไม่เกี่ยวนะในกรณีที่ยื้อเกิดความแตกแยกก็สอนงดเว้นแล้วก็ให้มาพูดคำที่เป็นการส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีนะตามสมควรแก่กรณีของบุคคลคืลเราเห็น ว, ว่าในพูดการส่งเสริมสามัคคีนั้นะพูดได้ตลอดพูดกระชับสามัคคีก็พูดได้ตลอด แต่ผู้ประสานสามาคัคคีเนี่ยเขาต้องมีข้าวจะแตกแยกกันจึงจะไปพูดได้นะฮะมันก็แกล้ๆคนหกล้มเราจึงประคองได้แล้วก็ยังไม่หกล้มเราเข้าไปประคองมันก็รู้สึกว่านอกเรื่องคือไม่ไม่ควรไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ้า่าฟังเมื่ไหร่